ฟังทำกันพูดธรรมะก็คือพูดเรื่องตัวเราเนี่ยแหละตัวเราก็เป็นอันเดียวกันคนหนึ่งพูดคนผู้พู ด, พดคนผู้ฟังลู่มีเครื่องรับลูกกันได้ตัวธรรมะคือชีวิตของเรา ทั้งหมดชีวิตของเราถ้าเราลู่จับชัดเจนเห็นธรรมที่เป็นกุศลและกุศลที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเห็นกุศลก็ทํากุศลได้เห็นอกุศลก็ละอกุศลได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็น<ม>พระพุทธเจ้า ผู้ดใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ดใดเห็นปฏิจจบตัตรสมุปบาทผู้นั้นนี่ยชื่อว่าเห็นว่าเห็นพระพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดถึงที่เรากรูปคําอยู่ผ่านเราอยู่คือตัวรูปตัวหลง ถ้าหลงมันก็เป็นอวิชาเพรเกิดชาติชลาบรมะอวิชากอให้เกิดตัณหาอุปทานเกิดพบกิดชาติเกิดชลามรณะโสกไปเทวทุกขโทมนัสก็ปัิญาต์ไปทางไปทางหนึ่งถ้าเป็นวิชาคือตัวลูกมันก็เหมืนกับวิชาเพราะมีวิชา จังอาณาจก็ดับตามลูกก็ดับเปทนเลก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับอันหนึ่งไปทางเกิดอันหนึ่งไปทางดับเพราะอนันจึงมีสติเนี่ยถือว่าเป็นวิชาเป็นอะนุโลมเป็นปะติโลมอันหนึ่งไปอันหนึ่งกับ มันเกิดอยู่ที่นี่ไม่ใช่เราเกิดเจ็เจ็บตายเกิดเจ็เกิดเจ็บจเกิดตายอันนัน้นเป็นผลของปฏิจจสมุ ป, ปบาทคือตัวหลงตัวรู้เราจึงจับจูดเถอนี่ยถ้าเราปฏิบัติเราจับจูจับต้นตอมันอยู่มันจะเกิดมันจะดับ มันอยู่กับมือของเราเราก็มั่นใจนะเห็นนำรูปปฏิจจสมปบาดไม่ใช่รูปนำการูปนมเนี่ยมันมันเป็นมหาภูตรูปมันมีใจเดิมเพราะเห็นรูปนำเนี่ยมันจึงมีปฏิจจสมประบาด เรามีรูปมีนามแล้วเดี๋วน่ะชีวิตเรามันจะตั้งต้นที่นี่ละกุศลก็ดีอ ก, กุศลก็ดีมันจะตั้งต้นที่รูปนามนามรูกก็ตั้งต้นที่รูกนามเน่ยนะเห็นนามมาลูกเห็นนามรูปเห็นไตรชนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดเกิดขันธ์หน้าที่มีอุปท า, านยึด อะไรต่างๆมากมายเรียกว่าขันห้าไม่ใช่ขันล้วนๆอันนามรูปเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาเกิดนามรูปเกิดดายตละเกิดผัดสะเกิดเวเทลาเกิดตัณหาเกิดอุบาทานเกิดภพเกิดชาติชราบังละโศกไปเทวะทุกตัวมรรุปัสยญาตายไปเกิดดีบปัจเจมันเกิดดับกิดดับเรียกว่านามรูป นี่ปิดจะส ม, มุปบาทเรียกว่าเห็นธรรมอาใช่เห็นนิมิตเห็นอะไรเห็นตัวลู่ตัวหลงน่นแหละแต่ว่าโดยสรุปเขเห็นตัวลู่ตัวหลงตัวลู่ลมันก็คงกร็นเหตุอของตัวหลงเมื่อมีตัวหลงว่าดับน้มลู่ก็ดั บ, มกกดบไม่เกิด อายนะก็ดับไปชะนาสังญาสังขารยนดับพบชาติดับชรามาาระโศกปฏิเทวทุกข์ดับไม่มีผู้ใดเกิดไม่มีผู้ใดแจ็ไม่มีผู้ใดเจ็บไม่มีผู้ใ ด, ดตายเรียกว่าอาการเกิดดับหลวงปู่เทียนสอนพวกเราให้เห็นอาการเกิดดับของนามลูกอาการเกิดดับของรูปนามเนี่เราก็เห็นอยู่แล้ว เกิดนอนถ้านอนเกิดนั่งถ้านั่งเกิดเดินถ้าเดินเกิดยืนถ้ายืนเกิดร้อนเกิดหนาวเกิดล้าเกิดชังเกิดหิวเกิดกายมันเป็นรูปเป็นนามถ้าอยู่กัดไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่มันมีรูปมีนามมันจังเจ็บถูกแดดก็ร้อนถูกลงฝนก็หนาวมันไม่รูปมีนาม รูปนามนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีทุนได้ศึกษาได้ศึกษาแล้วพ่อเทียนสอนเราให้เห็นรูปนานโอ้ยถือว่าเป็นของประเสิฐพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยสอนทั้งทั้งที่มันเป็นชีวิตเราเราก็ไม่รู้มัน ทั้งอาใจเขาทั้งเขาว่าใจเราให้เกิดต่างๆขึ้นไปพอเห็นรูปดามโอ้อยากสอนคนในลู่รูปนามไปสอนแม่โอ้ยบอกว่าแม่แม่ไม่เคยสอนให้ลู่อย่างนี้เลยเพาหลวงพ่อเรียนสอนอยากให้แม่มารู้เรื่องนี้อแม่ก็บอกแม่ไม่รู้จึงไม่ได้สอนอเพราะฉนั้นไม่มีใครรู้ถ้าไม่มี ผูสอนผู้ดำพาที่ไปเห็นไปผ่านมาแล้วนับกลับมาสอนมาบอกเหมือนพระพุทธเจ้าไปถึงที่นั่นแล้วชวนคนหนึ่นให้ไปถึงที่นั่นเหมือนกันพระพุทธเจ้ารออยู่ที่นั่นจงไปที่นั่นอันนี้เรียกว่าผู้ถึงขึ้นฝว่ง ถ้าเราอยู่ในห้วงน้ําอยู่ในโขคยังไม่ขึ้นน้ําอย่างมุดมุดคือทุกโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำคือสุขอันสุกอันทุกพอใจอันไม่พอใจหรือว่าอยู่ในห้วงน้ํายังไม่ขึ้นฝั่งเลยพระเจ้ายังตะโกนวกมือเรียกให้ขึ้นฝั่ง ไม่ต้องไปสุขไม่ต้องไปทกไม่ต้องไปพอใจและไม่พอใจพอเพราะขึ้นน้ำขึ้นฝั่งได้แล้วคนที่ยังไม่ขึ้นฝั่งก็อยู่ในห้องน้ำเป็นธรรมดาถ้าทุกคนมีจิตไปขึ้นฝั่งได้วิธีปฏิบัติมันมากนายแต่ตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็คือรูปคือน้ำเนี่ย เอาลูปมาทำความดีเอานามมาทำความดีให้มันทำความดีให้มันมีสติลูกให้มันมีสตินามให้มันมีสติเหมือนหลวงพ่อพูดเมื่อวานว่าเอาอย่างกวางเอาอย่างไก่เอาอย่างแยนไม่ใช่ย่อมเหมือนกวางจะพูดจริงใดจะทำจริงใดจะคิดจริงใดรู้สึก รู้สึกตัวก่อนค่อยพูดค่อยทำค่อยคิดขณะที่พูดที่ทำทีคิดและเลือกได้อยู่ถ้าพูดผิดถ้าพูดถูกมันมีสติมันก็จัดลําดับให้เราพูดเราแสดงเราแสดงเราบอกเราสอนให้เป็นของจริงเหมือนกับจับมือไปดูจับตาไปดูเนี่แว่ามันเป็นอย่างนี้ อันนี้คือเรามั่นใจอย่างนี้การสอนธรรมะไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่ดุนเดาเราก็มีรูปรูปของเราก็มีเราก็มีนม้ำมเคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่ต้นเสาสลาไม่ใช่ก้อนหินเคลื่อนไหวเป็นอะไรที่มันเกิดอยู่บนลูกบนน้ำเนี่ยเยอะแยะที่ไม่จำเป็น ส่วนเกินมีเยอะๆมันส่วนเกินทำให้เราเสียเวลาหมดพระหมดเวลาไปกับส่วนเกินรับใช่ส่วนเกินมันไม่ใช่ส่วนจำเป็นเราจึงมาลู่มาปฏิบัติมาศึกษามาดูให้เห็นให้พบเห็น เห็นหลงเห็นรู้ตลอดเวลาสําหรับผู้มีสติมีจัเปัญญ่มันต่อหน้าต่อตาจริงๆน่ะมันเปิดเผยก็เปิดเผยตรงนี้มันเปิดออกให้เห็นตัวหลงให้เห็นตัวรู้คู่กันไปให้เห็นตัวทุกข์เห็นตัวไม่ทุกข์คู่กันไปต่ให้เห็นถ้าเห็นเราเป็นยังไงเราเอง แล้วก็เกี่ยวข้องถ้าเห็นหลายที่มันก็ไม่ใช่เห็นเฉๆยๆอันตัวเห็นแบบเนี่ยตัวเห็นแบบผู้เห็นเนี่ยเห็นแล้วมันมันเป็นยานมัทสนะญานทัศนาะเรียกว่าทัศนาะทัศนาดุตทัศนาดุตตะเรียการเห็นแล้วหลุดพ้น ปฏิปทาทุตเตเลียมีการวิบัติต่อการเห็นวิมุตตานุตตลียหลุดพ้นได้เพราะการเห็นถ้าไม่เห็นนะไม่พ้นเ ร, เราเห็นงูเนี่ยงูก็ไม่ได้กัดเราถ้าเราไม่เห็นเนี่ยกงูกัดแล้ ว, วทัศนานุตเตลียการเห็นกับการออกไปกับการพ้น ลักษณะนั้นเรียกว่าอริยสัจทีเรียกว่าอริยสัจทีทุกอพอเห็นทุกออกไปจากความทุกปฏิบัติออกไปจากความทุ ก, ออ ก, ก, ทกพ้นจากความทุกแล้วเห็นทุกมันเห็นสลักษณะเห็นทุกหนีจากความทุกพ้นจากความทุก เห็นเหตุที่เกิดทุกข์ทำเหตุที่มันเกิดทุกข์พ้นไปจากเหตุนั่นแล้วแต่มันทุกข์เพราะการคิดก็พ้นไปจากการคิดแล้วได้ทำแล้วเราพ้นไปจากการคิดแล้วเรี <c oughs> <c oughs> ยกว่าอริจตีเนี่ยเห็นทุกข์สัมพุทยนิโรธมรรคสามปัจจัการ เห็นทุก็เห็นสามลักษณะเห็นสมุทัยก็เห็นสามลักษณะเห็นนิโรธก็เห็นสามลักษณะเห็นมรรคก็เห็นสามลักษณะเรียกว่า12ท่านยังทำรูปธรรมาจากใบสิบสขี้คือทุกสมุทัยโรดมรรคสขี้แต่ว่าทำเป็น12เพราะมันเป็นปัจเจาการโ่อกันอะกัน เราปฏิบัติอยู่นี่ดําเนินไปตามอริยจัจติโดยตรงที่สุดเลยพวกเราไม่ได้ไปท่องไปเรียนเปิดหนังสือดังหาแต่ว่าตำลากายใจของเราเนี้ยมันบ่งบอกเราเราเห็นทุกข์อะตัวสติตัวรู้สึกตัวเลือกได้น่ะไม่มีใครที่ไปนั่งน้ำตาไหลอยู่ทั้งวันกับคนที่มีสติ อาจจะขอบคุณความทุกข์ด้วยซ้ําไปนะถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่ได้พ้นไปไม่มีปัญญาพอทุกข์แต่แท้ทำให้เรามีปัญญาบางทีขอบคุณความโกรธที่หนีมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่โกรธถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่มาปฏิบัติขอบคุณความทุกข์ด้วยทําให้เราได้ไม่ประมาท วันนี้หลวงพ่อก็ไปหาเจ้าคณะอำเภอเอาหนังสือไปสอนการแจงเขียนวันหนึ่งหลวงพ่อไปเห็นท่านให้หมอหมอหนวดนวดอยู่หลวงพ่อก็บอกว่าไป น, นวดทําไมมานวดเองมาแจงเขีย น, นเนี่ยให้เจ้ง่ายเราแจงเขียนเราเอาหนังสือให้ท่านวันนี้ท่านก็มามาฟ้องโอ้ดีจริงจริงดีจริงจริง แต่ว่ามันไปต่อเนื่องเอามูต้องทำมันต่อเนื่องอย่าขี้เกียจชีขัน้นเราไม่เหมือนเขาเราไม่เหมือนคนอื่นต้องต้องขยันอย่าไปชี้ขั้นเหมือนคนอื่นเราถ้าขี้เกียจชี่ขัน้นหาเวลาเวลานะมันไม่ค่อยจะเีเราต้องมีเวลาต่อตัวเราตลอดอันการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันให้เวลาตัวเราคน อ, อื่นได ถ้ามันหลงก็ให้เวลาเราให้มันรู้อย่าให้ความหลงนอนเนืองเรียกว่าอนุสัยอนุสัยเนี่ยมันด้านได้มันแก้ยากถ้ามันนอนเนืองแล้วถ้าดื้อพอแก้ได้ถ้าด้านเนี่ยยากถ้า น, นอนเนืองกลายเป็นจริตกลายเป็นนิจใจไปเลยนิจใจขี้หลง ที่ใช้ขี้ขวดที่ใช้ขี้โลกที่ใช้ทุกเราจึงให้โอกาสตัวลูกเข้าไปเข้าไปเจ็บเขาเง้นเราป่วยให้หมอได้มีโอกาสดูเราอย่างหลวงพ่อป่วยไปโรงพยาบาลจิฬาคุณหมูเนี่ยป่วยเขาจะลูกว่าโรคอะไรคือต้องสามวันสองวันสามวันไปวันแรกก็นอนปวดท้องอยู่ ก็พวกก็หมอค่อยๆโอ้หมอเอ้ยอันปวดท้องมียาเลยหนอมีใครไหมหนอที่จะให้มันหายปวดได้ท้องนี่ยกาลังดูอยู่เกิใจอะไรเอาเอาไปสองกล้องสองกล้องเข้ไปในท้องในไตในปอดมันก็ไม่เห็นนอะไรเอาเลยไปตรวจที่อมันเป็นเพราะอะไรให้มันปวดท้องเขาก็มาตรวจ เอาไทรอยที่มันพองอยู่คอเนี่ยตรวจอยู่มันเจาะเอาไปเอาก้อนเนื้อไปตรวจเขาจึงรู้ว่ามันเป็นก้อนเนื้อโตเร็วมันลุกลามมาอยู่ที่ตับอ่อนเขาให้ยา่ามันก็หายนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขามามัวแต่มาทํามันอื่นอยู่มันก็ตายไปแล้วเราเราก็เหมือนกันเหตุที่มันทุกข์เราไม่ให้โอกาสตัวลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ที่ตัวทุกตัวหลงเราปิดเลยตรงเนี้ยถ้ามันโกรธเราก็ไปด่ากันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นย่ำคิดย่ำคิดแต่เรื่องนั้นไม่มีความรู้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยโอกาสนี้เรามาเปิดเรื่อเปิดตัวออกนะคนเดินก็บอกเราสองให้เราดูเราก็ดูของเรา ไปเลื่อยเลื่อยไปนะเห็นมันไม่ได้มืดมิดอะไรต่อของที่มันมีผ่านหน้าผ่านตาเราอยู่นะโดคิดก็โอ้ยคิดเจ๋งตัวหลงโอ้เป็นเจ้าเบือนเลยตัวหลงนะวานทีตัวหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเเฉยอยู่นั่นแหละมีอำนาจยิ่งใหญ่ พอใจกับความหลงออยากจะมีแนวร่วมอากมีแนวร่วมช่วยกันดูช่วยกันเห็นหลวงพ่อก็เห็นทุกท่านท่านก็เห็นหลวงพ่อถ้าเรารู้สึกตัวเราเห็นกันแล้วเราแจ้ความหลงเป็นความรู้เราก็มีการกระทาเหมือนกันแล้วออันเดียวกัน น, นี่ยบ่ อาจารยูจิอยู่กีรังโน้นท่านก็คงจะแย่ความหลงเป็นความรู้ไม้คีวะศกปจิกาอยู่ตรงโน้นวิธีปฏิบัติ <c oughs> แต่ว่าวิธีการสอนเนีะ่ะพระเจ้าก็ช่วยเราวะศกปัจิกาควรทำยังไงมีทำอะไรพู้เจ้าก็บอกทำของวะศกปจิกาไม่ไม่เชี่ยบวงกลตื่นข่าวนะ อย่าไปเชื่อบองคลตื่นข่าวเพราะว่านั่นสักจิตมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารเชื่อบองคลตื่นข่าวไม่ไม่ต้องเชื่อบองคลเชื่อครรมของตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อการกระทั่ของเราอย่าทำนอกศาสตร์นาให้ทำบนแต่นในศาสตร์นา ธรรมุนนอกศาสนาคือทรรมุนนอกกายนอกใจหาความดีจากวัตถุสิ่งของมันกายใจไม่ค่อยยกมันขึ้นจากโผล่จากตมมันเปิดมันเปื่อนทรรมุนในศาสนาคือมายกกายยกใจให้มันพ้นไปอย่าให้มันเปิดมันเปื่อนกับอับปกุศลธรรมุลในศาสนาธรรมุนนอกศาสนาประดิมอื่นพระนิทาธรรมท ำ, ำไปนอก จัดดอกไม้ทูบเทียนจัดต๊ดต บ, บูชาวิธีราตนาศินวิธีราตนธรรมวิธีถวายทานแต่ว่าไม่ได้จัดตัวเองอัชัติยธรรมคือธรรมภายในไม่จัดตัวนี้ไมจัดแต่ว่าถัวจึงของเพราะฉะไรเนี่ยในศาสนาต้อหาบญในศาสนามาช่วยกายช่วยใจ บุญคือตัวรูปรูปแต่ก่อนไม่รูปรูปรูน้ำหรอกพอมามีสติอ้ามันเห็นรูปเห็นนามอ่ะเป็นรูปแท้ๆเป็นนามแท้ๆเนี่ยใครจะว่าเป็นอะไรไม่ใช่เป็นรูปเป็นนามอันใหญ่ๆมันสรุปให้เราพอเห็นรูปเป็นนามก็ไม่ต้องเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมันเป็นรูปอันกายเวทนาจิตธรรมเป็นอาการของเขา เวทนาเป็นอาการของกายเวทนาเป็นอาการของจิตทำที่เป็นกุศลอกุศลเกิดความโกรธความรักความชังเป็นอาการของกายของจิตไม่ใช่เวทนาเป็นาการแล้วตอบอันเดียวนะถ้าเห็นที่ใดก็อาการของกายนาะอาการของจิตไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิต ความร้อนความหนาวเป็นอาการของกายไม่ใช่กายถ้ากายร้อนหนาวไม่เป็นก็ไม่ใช่กายอ่ามันก็เป็นอาการของเขาบางทีขอบคุณเขาด้วยขกเขารู้จักเก็บโยงกัดรู้จักเก็บเนยโอ้ยรู้จักไรโยงออกจากร่างกายของเขารู้จักรักษาอันหิวก็รู้จักกินข้าวขอบคุณความหิวขอบคุณความร้อนขอบคุณความหนาวขอบคุณความปิดขอบมึ่ยจะได้ยืนเดินนั่งนอนปรับปริบทให้ วันเท่าเบาบางตามอัตภาพพออยู่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นใหญ่ให้ไม่เคยเป็นใหญ่ไม่เคยป้องกันได้ชีวิตเนี่อย่างที่เราสวดอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเห็นไปอย่างนี้เรี้ยวเป็นบุญแล้วแต่ก่อนเอาอะไรก็มาเป็นทุกเป็นสุขวันนี้มาเอาอะไรมาเป็นตัวรูตัวรูเป็นบุญไปทั้งหมดเลย เห็นตัวทุกข์ก็เป็นบุญมันเห็นนั่นทุกข์ก็ไม่ตจงทุกข์เห็นตัวบาปก็เห็นเป็นบุญนั้นเป็นบาปแต่มาเป็นบุญเพราะรู้อีกแปรสภาพอีกแล้วมาเป็นบุญทั้งหมดเรียกว่าบุญบาปรู้จากบุญรู้จากบาปรู้จากศาสนาศาสนาคือตัวเราทำดีทำชั่วอย่าไปไหว้เจ้อื่นเอาไว้ที่กายที่ใหญ่กายมีศาสนาก็มีระเบียบเรียบร้อย ไม่ดีของขวงเป็นหนึ่งเดียวกันตามมันยัดต่างๆอย่างท ร, รมาวิไหนเนี่ยไม่ใช่สอง0ันห้ารอยห้าสิบปีนะนับไปอีกเลยสามสิบปีเป็นสองพันห้ารอยแปดสิบปีเ0้าสิบปีโน้นพระพุทธเจ้า ว, วางวิ่ในไว้ตั้งแต่พระองค์ยังไม่ปะริเนผาน สอนพระสอนโยมสอนญาติสอนเนรวางไว้นานแล้วอย่ามานับ2 5 5 0ปีอันนี้มาหลังปริพานมาเขียนหนังสือจะลรกเป็นหนังสือ <c oughs> อันนี้มันก็มีอยู่แหละเรียกว่าอะไรแบบฉบับ เราเป็นแบบฉ บ, บับสากลไม่ใช่แบบอย่างแบบอย่างใครก็เป็นแบบได้ครูอาจารย์ใครก็เป็นครูได้นักมวยเขาก็เรียกว่าครูช่างเสริมสวยก็เรียกว่าครูอาจารย์บางทีที่เราชิยา่ยเสิพยาเจ็งเขาเรียกวาอาจารย์กิดเฮโรอีนได้วันละสิบหลอดเขาก็เรียกว่าอาจารย์ ทูยบลมกูรูพระพุทธเจ้าของเราบ้นจึงมีแบบฉบับเพราจึงง่ายที่สุดเลยจึงง่ายอยู่ด้วยกันด้วยแบบฉบับเป็นพิมของเราเข้าพิมพ์พิมพ์ของพระพิม์ของเนนพิม์ของแม่ชีพิมของวาจกพิม์ของวาจิกามีพิมพ์มีพิม์นะพิม์ของ พระอยู่ในกอบเขตสองร้อยยี่ิบเจ็ดสิกขาบทพีม์ของพิกจุนีคู่หน่อยปราชิกเขามีของพระมีสี่พิกจุนีต้องเพิ่มเข้าไปอีกสี่เป็นแปดยืนทางขาไม่ได้พูดกับผู้ชายยืนพูดไม่ได้ อะไรก็มา้กับพิกษุพิกษุนี่ไอ้นี่ก็มีสำเนเลีแม่บวชสี่สิบห้าสปันสาก็ต้องบวชต้องกราบพระผู้ที่บวชแม่วันเดียวนะพิกษุนี้พระพุธเจ้าวางไว้ให้กราบพระกราบเน้นแม่บวชปันเดียวเราบวชก่อน ให้กราบพระภิกษุสงฆ์ผู้บวชแค่วันเดียวเท่านั้นลวงพ่อไปเห็นภิกษุในที่สลรทที่ไต้หวันโอ้ยถ้าภิกษุณีบ้านเราอยากให้มีกำลังอ่านขนไกวกันอตามที่ลงพ่อดูมันเป็นแปรดยากเพราะว่ามันมันไม่เหมือนธรรมวินยัย อย่างเต้หวันเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นน่ะหลวงพ่อเดินไปเดินไปฉันอาหารพิกจุนีกําลังยืนกลางร่มอยู่ลานปูนฝนตกพอเห็นหลวงพ่อเดินไปเขาก็วางร่มทันทีเขาไม่เดินผ่านเขาก็วางร่มกคาบ าที่ขี้โคนนั่นน่ะหน้าผากถูกดินผ้าสีนุ่งของเขาน่ะถูกดินที่มีอยู่ขี้โคนกับคอนจีเขาก็ไม่ได้เช็ดไมได้ปัดปล่อยให้มันอยู่นั่นแหละเขาก็การาบด้วยความชื่นใจพิจิตนีเขานะ่ะพิจิตได้วันเนะขารบจริงจริงตก็เนี้ยเขารบผ้าสงเขารบมาก แล้วก็การเผยแพร่พระสงฆ์สู้ไม่ได้เขามีการอ่อนน้อมทอมตนพูดจาปายใสยามารยาตจับญาติจับโยมนลยดีกว่าพระสงฆ์สอนเด็กถ้าเรียนแต่ว่าเขาเจ่งนะทุกคน่ะพิัวนี้มีรถส่วนตัวมี VCD มีเครื่องขยายติดรถเรือไปเทศบาลสอน ตั้งจ อ, อคอมพิวเตอร์เช่นเครื่องจีจดีฉชยเป็นภาพไปเลยเคยมาอบรมโยวยนร่วมกันที่สารดเอาพิจุนีมาจากไต้หวันพระสงฆ์ก็มาจากไต้หวันายเขยว่าโอ้ขรเจียงยอมยอมเลยทจ อ, อมพิจุนีแล้วพออยู่ไต้หวันพ่อก็ไปอยู่ ก่อสร้างก็พิกฌานีอีกนังนแหละพากันหามพูนขึ้นเขาเทพูนเทคอนจิตนะแต่พระนี่สสบายเลยแต่เขาเขาโลภลาพระอาจารย์เขาองค์หนึ่งสององค์เนี่ยพิชฌณนีเจ็ดสิบแปดสิบลูกลาอาจารย์ก็าไปนั่งล้มบนนมมือต้องจอสอื่นสออ่อ น, อ น, อ น, อนหลย่ยเห็นอาจารย์ เพราะนั้นเนี่ยภิกษุณีไต้หวนันที่เขาเป็นศูนย์กลางภิกษุณีทั่วโลกแภิกษุณีบ้านเราเน่ะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเละยังจะเกิดใจอยากอยากไม่ เ, เราร่วมสร้างภิกษุณีด้วยหลวงพอ่อหลวงพ่อลู่ทำมีไหนนะจะช่วยสร้างถ้าให้พานํานะจะสร้างอุบาสกแกสร้างวาจิกา ด้วยเหมือนกันนะเพราะนั่นเนี่ยเราก็ยังถือว่าโง่เขลาไม่ใช่ไป น, นั่นหรอกเพราะพราะที่จะดํากันอยากมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเองโดยเฉพาะการปฏิบัตินี่อยากมีส่วนร่วมมากๆกับทุกขีวิตเพลยอยากพอกอยากสอนนะาาเพราะมันเป็นของจริงเถอะแต่เราจะไป ไม่ใช่สิทธิอันนี้ทำไมมันหลงเรามีสิทธิที่จะไม่หลงมันโกรธเรามีสิทธิที่จะไม่โกรธมันทุกข์เรามีสิทธิที่จะไม่ต้องทุกข์สิทธิของเราเนี่ยใช้เงินลงไปอย่าไปทอดทุละให้อธรรมคองกายคองใจเรามันเป็นโทษเป็นไปเป็นผลกระทบต่อทุกจริง ถ้าเราไม่ช่วยตรงนี้ไม่ช่วยตัวเองตงัวนี้ไม่สงบหอกบ้านเมืองประเทศชาติถ้าเราทํำตรงนี้เนี่ยสงบเลยอา้าวประเทศทั่วโลกเนะี่ยสองร้อยกว่าประเทศนี่ยประมาณห้าหกหมืนพันล้านคนเนะี่ยมารู่ทั่วเต็งทุกคนทุกคนมาก่อนลัดตีมือเดียวสงบไปเลยนี่คือของจริงนะ่ะ เราไปอเอาอะไรเยอะนะเพราะนั้นเราจึงสะดวกตั้งมากเลยประเทศไทยเนะี่ยสะดวกก็ต่างประเทศก็คนมาอยู่วัดถือว่ามีศักดิ์ศรีมาปฏิบัติถื่วม่ามีศักดิ์ศรี น, นี้หลวงพ่อมาจากยังก้อเขาเล่าลือว่ารถมาจากวัดป่าสุขโขชนต้นไห้คนเจ็บ วงมามาดูรถเห็นชนตอนมาหน้าปี้บนเลยโอ้ยก็คิดในใจรถแบบนี้ไม่ใช่รถที่กระโดดองมารถมาจากไหนไม่รู้ลองพวกไปเคยผ่านตาเห็นชนตอนไมาคนคนคนก็เจ็บเอาไปลงกับบาลทําทไมเจียงชนก็ไม่รู้อาจจะหลับได้อาจจะขับรถไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะนั่นเนี่ย เราจึงอยากมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติธรรมทุกคนให้มันปลอดภัยจะได้มีไขมีเวรช่วยกันแต่ไปไหนมาไหนอยู่ไหนขอให้มันอยู่กับตัวเด็กให้มากๆนะจึงขอมีส่วนร่วมกับทุกชีวิต ช่วยตกช่วยแต่งช่างพูดช่างบอกช่างสอนได้แค่นี้จะหลงเจะไปช่วยให้รู้เอาไปช่วยไม่ได้มันโกรธจะไปช่วยท่านไหนโกรกช่วยไท่านต้องช่วยตัวเองตัวลูกเจตัวทัานก็ทำมาเอง mm hmm. อ่าเปไ็นงเอาก็สมควรลาแล้ว mm hmm. อาจารย์ยุจิพรวา